ส่วนโสมนัสสูตรนะครับโสมนัสสูตรนะสูตรนี้ช่วยกระจายกๆเนาะหน่อนชยช่วยๆบอกๆต่อกันไปด้วยนะท่านอยู่ในศีลในธรรมนะครับท่านเข่งคัดนะท่านศึกษาท่านเล่าเรียนท่านปฏิบัตินะเป็นโอ้โหสูตรร่ำเรียนมากแตกชานี่ด้วยนะครับผู้อายก็ตายเลยนะมาอ่านสูตรนี้เมื่อไห ร, ร่ไง โสมนัสสูตรนะครับสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกรพิสูทธ์ทางหลายพิสูจผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการเป็นผู้มากไปด้วยสุขและโสมนัสในปัจจุบันเป็นผู้ปรารบความเพียรแล้วโดยแยบคายเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะท้งหลายธรรมะสองประการ เป็นฉไงคือความสังเวชในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชนะครับเร า, ารู้จักสลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดนะนะอย่างหนึ่งความเพียรโดยแยบคายแห่งบุคคลผู้สังเวชนะเพื่อสัง เ, เมื่อสังเวชแล้วก็ตั้งความเพียร น, นะครับดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายพิสูุผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้แลเป็นผู้มากไปด้วยสุขและโสมนัสอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้ปรารบความเพียรแล้วโดยแยบคาย เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าพิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีความเพียรมีปัญญาเครื่องรักษาตนพี่จาจรณาโดยชอบแล้วด้วยตัญญาพึงสังเวทในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวททีเดียวพิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรมีความประพฤติสงบไม่ฟุ้งซ่าน มันประกอบอุบายเป็นเครื่องสงบใจพึงถึงความสิ้นายแห่งทุกข์ได้เนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชันี้แหละนะครับเห็นัหมถ้าหากว่ามีความสามารถสองประการเนี่ยนะจะมีความสุขมีโสมนัสอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็คนนั้นเนี่ยนะชื่อว่าเป็นคนที่โยนิโสมากไปด้วยความเพียรมีโยนิโสนะครับ แล้วก็เป็นการปฏิบัติเพื่อสิ้นอาสวะจริงๆเลยนะถ้ามีธรรมะสองอย่างเนี่ยนะคือหนึ่งสังเวชในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสองเพียรโดยแยบคายแห่งบุคคลผู้สังเวชคือเมื่อสังเวชแล้วก็ตั้งความเพียรนั่นเองนะครับอิยาณอาผมว่าสังเวชในในภาษาโลกนี่นะชาวบ้านที่พู ด, พ, ดพูดกันทั่วไปเนี่ยเวลาเราสังเวชแล้วเราจะทาหน้าแบบห่อเหียว <laughs> แ ล, ละสังเวชในตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงมาถึงได้สมมนั้นครับอาจารย์ดองอธิบายหรือครับสังเวชในที่นี้ก็คือสลดใจในสังสารทุกข์นั่นเองนะครับสลดใจแล้วจะได้ตั้งความเพียรนะครับคือถ้าตั้งความเพียรได้บ่อยๆมันจะมีปีติสุขสมมนั้นไม่ใช่ไปเสียใจอะไรนะครับไม่ได้แปลว่าไปเศร้าใจเสียใจเป็นต้นไม่ใช่นะแต่หมายถึง กุศลจิตที่เกิดอย่างต่อเนื่องสลดใจสังเวทใจใหเห็นสังสารวัฏนะนะแต่ก็มีความสุขนะครับมีความสุขกับการพิจารณาเห็นอันนั้นไม่ใช่ไปเห็นคนทุกคนยากแล้วก็มานั่งทําตัวง้อยเงาอันนี้ไม่ใช่นะครับคนนัยยะกันในชั้นต้นนะครับในสูตรนี้บอกว่าบทว่าโสมนัสสังเนี่ยนะครับว่าสุขทางใจเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่มีสุขทางกายและสุขทางใจเป็นไปในเนื่อ ง, องว่าเป็นผู้มากไปด้วยสุขและโสมนสัสส่วนโยนิศัพท์ มีหลายความหมายนะครับโยนิสับบางทีก็หมายถึงกําเนิดสีก็มีนะครับกําเนิดสีคือเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายและเป็นโอปปาติกะนะหรือว่าโยนิสับบางทีก็แปลว่าเหตุเหตุนะครับโยนิสับบางทีก็หมายถึงช่องคลอดช่องคลอดนะครับรู้กันนะนะครับก็เช่นตัวเนี้ยพรามก็เกิดจากคลองช่องคลอดของแม่นั่นแหละแต่ในที่นี้ประสงค์เอาเหตุนะครับโยนิแปลว่าเหตุนะครับ บทว่าอาซาแลลว่าโดยบทว่าอารัฐาได้แก่ตั้งไว้ประคองไว้หรือทําให้สําเร็จบริบูรณ์บทว่าอาสวานังขยายะนี้ชื่อว่าอาสวะเพราะไหลออกไปอธิบายว่าอาสวะทั้งหลายไหล ไ, ไปคือสั้นออกจากตาบ้างจะหูจมูกลิ้นกายและใจบ้างนะครับมันอาสวะนี้แปลว่าไหลออกนะครับไหลออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ อ, อ, อ๋อหลายความหมายครับอันนี้ความหมายแรกว่าไหลก่อนนะครับ ต่อไปนะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาสะวะภวะไหลจากธรรมะถึงโคตรภูไหลจากโอกาสถึงภาวะกผมนะครับมันไหลมากะนะ น, นี่ลักษณะของเขาอะนะอธิบายว่าอาสะวะทั้งหลายกระทําโอกาสนั้นในธรรมะเหล่านั้นไว้ในภายในเป็นไปอยู่อาการนี้มีความว่าทําไว้ในภายในคือหมายถาว่าโลกิยะาทำทั้งหมดเนี่ยนะครับอาสะวะนี่ไหลถึงหมดเลยนะครับคือเป็นอารมณ์ของอาสะวะได้หมดเห่างนั้นเถอะ อีกในหนึ่งนะชื่อว่าอาสวะเพราะอัฐ่าว่าหมักไว้นานดูดเครื่องดองมีน้ำหวานเป็นต้นบ้างนะน้ำหวานหมักนานๆจะเป็นน้ําเมานะครับน้ําหวานเป็นต้นที่ชาวโลกหมักไว้นานเรียกว่าอาสวะก็กิเลสเหล่านี้ควรเป็นอาสวะเพราะอัฐ่าว่าหมักหมมไว้นานอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูความพิสูจทั้งหลายเบื้องต้นที่สุดของอวิชย์ย่อมไม่ปรากฏอวิชย์มิได้มีแล้วก่อนจากนี้คือ แต่ปกติแล้วอาวิชามันก็เกิดมาเรื่อยแต่อาวิชาไม่ใช่อันเดียวกันนะมันได้ปัจจัยมันก็เกิดมันได้ปัจจัยมันก็เกิดอย่างนี้นะมันก็หมักหมมมานานแล้วว่างั้นเถอะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาสวะเพราะไหลไปเล่นไปสู่สังสารทุกข์อันกว้างขวางนะครับมันในตัวนี้แหละพาไปสู่วัตถทุกขยาวนานก็ในที่นี้ไม่มีคําพูดมาก่อนกิเลสทั้งหลายย่อมประกอบไว้ในที่ที่พูดถึงอาสวะนะครับส่วนคําหลังคําหลังย่อมประกอบ ไว้แม้ในกรรมคือที่บอกว่าอาสวะนี่นะครับไหลเนี่ยนะฮะไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไหลไปจนถึงโคตรภูหรือภาวะกระพรมเนี่ยนะหรือที่แปลว่าหมักไว้นานเนี่ยนะครับคํานี้เนี่ยหมายถึงกิเลสทั้งหลายเท่านั้นนะครับหมายถึงกิเลสส่วนที่บอกว่าอาสวะเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ให้ไหลไปเล่นไปสู่สังสารทุกข์นะคำว่าอาสวะในที่นี้แม้แต่กรรมก็เรียกว่าอาสวะเหมือนกัน นะครับชั้นต้นบอกกิเลสก่อนนะชื่อว่าอาสวะตอนหลังแม้แต่กรรมก็ช right. ื right. ่อว่าอาสวะอัน hmm. หึอาสวะทั้งหลายหาใช่เป็นกรรมและกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่แม้อันตรายมีประการต่างๆก็เป็นอาสวะโดยแท้คําว่าอาสวะเนี่ยไม่ใช่ตอนต้นบอกอาสวะเป็นชื่อของกิเลสใช่ไหมตอนหลังไม่ใช่กิเลสอย่างเดียวนะเป็นอาสวะแม้แต่กรรมก็ชื่อว่าอาสวะตอนหลังก็บอกว่าไม่ใช่กรรมกับกิเลสเท่านั้นนะแม้แต่พวกอันตรายทั้งหลายก็เรียกว่าอาสวะเช่น อาสะวะที่มาในอภิธรรมอนะนะมีสี่อย่างคือการมาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะนะครับฉะนั้นกิเลสทั้งหลายมีการมาราคะเป็นต้นก็เป็นอาสะวะขอกราบถามเด็ดหนึ่งที่บอกว่ามีอยูส่สูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าอ อ, อาสะวะที่จะเกิดก็เกิดขึ้นได้เพราะอะไรอนะที่ว่า อ, อ ท, ที่ที่ละอาสวะ อ, อันตรายอันตรายนี่ฮเวลาไปเห็นพวกเดินเดินไปแล้วไปเห็นพวกช้างพวกมา้าพวกหมาอะไรเวลาบินสบัดเนี่ยก็ละได้ด้วยกันหลบ ก, กาหลีกเลยครับในสภาสวะสังวรสูตรนะครับตรงนั้นนี่ทําไมเรียกถึงเรียกว่าอาสว ะ, ะก็นี่ไงแม้อันตรายก็เรียกว่าอาสวะไงใช่คนระับในขขใเขขยายหน่อยฮะครับขยายเพราะพวก เ, เดี๋ยวจะมีมีค่อยๆ อ, อธิบายต่อไปนะครับ แม้ในพระสูตรท่านก็กล่าวถึงกรรมอันเป็นไปในภูมิ3และอกุศลธรรมที่เหลือไว้เรียกว่าอาสวะเหมือนกันนะครับเช่นว่าดูก่อนจุนทะเราย่อมไม่แสดงธรรมเพื่อความสํารวมอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในปัจจุบันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเพื่อที่บอกพูดถึงอาสวะเนี่ยนะครับคำอาสวะแม้แต่กรรมเจตนาที่เป็นไปในภูมิ3นะครับเจตนายีิบเก้านี่ยนะหรืออกุศลธรรมทั้งหมดก็เรียกว่าอาสวะเหมือนกัน แม้แต่ในบทนี้ว่าทิฏฐธรรมะทิฏฐธรรมมิการนางอาสวานางสังวรายะสัมปรายิกานางปฏิคาตายะเพื่อความสํารวมอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในปัจจุบันเพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในสัมปรายภพท่านแสดงถึงการไปเบียดเบียนผู้อื่นทําให้เขาเดือดร้อนการฆ่าการจองจําและอันตรายมีประการต่างๆอันเป็นทุกข์ในอบายนะครับก็อาสวะเหล่านั้นมาในวินัยนี่มี2 อ, อย่าง ในวินัยพิดกเนี่ยครับมีอาสวะอยู่2องอย่างคือเพื่อป้องกันอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในสัมปรายภพหนึ่งนะครับแม้แต่เรื่องเสียหายความเสียชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะพระภิสูจทั้งหลายก็จะไปทำเรื่องราวเสียชื่อเสียเสียงหมดนะนะ เป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็เลยบัญญัติวินัยเพื่อกําจัดความเสียชื่อเสียงอันตรายมีการทุบการตีการเข็นการฆ่ากันเป็นต้นเนี่ยพระวินัยบัญญัติก็จะกําจัดอาสวะเหล่านั้นสิ่งนั้ น, น, นเรียกว่าอาสวะทั้งหมดเลยนะครับพวกความเสียหายทั้งหลายแล่นี่นะส่วนอาสวะอันในอันจะบังเกิดในสัมป라이ภพหมายถึงนรกทั้งหลายก็ชื่อว่าอาสวะนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระองค์ทรงบัญญัติวินัยแล้วพระพิสุประพฤติตามพระวินัยก็จะไม่ตกนรกนะครับ เดี๋ยวผมขอย้อนถามเมื่อกี้อีกทีนะสงสัยคือในเรื่องอาชะอาวะที่มีอวิชชาเป็นต้นน่ที่ว่ามันเกิดขึ้นใหม่นี่ก็ไม่ใช่อันเก่าอันเก่าก็ไม่ใช่อันใหม่ เกิดแล้วมันมันมันไปหมกมมยังไงผมคือมันได้ปัจจัยนะครับอะไรที่มันเกิดบ่อยๆเนี่ยลักษณะนั้นนะครับชื่อว่าชื่อว่าหมกมมมนะเช่นคนที่โกรธไม่ได้ความโกรธแช่อยู่ตลอดนะครับเช่นโทสะเกิดในขณะที่สลับทวารก็ไม่ได้มีโทสะเกิดเกิดตลอดรวดไปหมดนะแต่ว่าอาศัยที่มันเกิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแบบนั้นนะครับได้ปัจจัยก็เกิดได้ปัจจัยก็เกิดเนี่ยนะยกตัวอย่างนะว่าจิตเนี่ยเหมือนเสียงนะครับ สมม่าเหมือนเสียงกลองเนี่ยเสียงกลองมันไม่ได้ตดังตลอดอะไรแต่มันได้ปัจจัยมันก็ดังไปเรื่อยๆเพราะไม่ใช่เสียงอันเดียวกันอออือความคิดทั้งหลายได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นจะเกิดนานเกิดยาวเกิดสั้นเกิดเมื่อไหร่ยังไงก็แล้วแต่ปจัจจัยประดุดเสียงกลองอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะครับไม่ใช่ของของใหม่เกิดขึ้นแล้วไป ไปรวมอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ใช่ไปรวมกับของเก่าทําให้มันหนานแน่นขึ้นอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ครับแต่ว่าความอาศัยความชํานาญเข้าว่านะครับ<อ>ถ้าเกิดบ่อยก็ชํานาญมากๆขึ้นอเช่นการอ่านหนังสือเนี่ยความรู้ไปเก็บอยู่ตรงไหนครับไม่ได้มีที่เก็บอะไรนะแต่ว่าพอการอ่านบ่อยๆเนี่ยก็เป็นปัจจัยเพื่อความชํานาญแห่งการอ่านครั้งต่อๆไ ป, อ, นน อ, ป, ป อ, นะอันนี้เรียกอุปนิสัยปัจจัยนะครับะลักษณะนี้เรียกอุปนิสัยที่สะสมกัน ต่อไปนะครับอาสวะในสัพพาสวะสูตรนะครับมี3อย่างนะครับเช่นกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนะครับในอภิธรรมรวมกับทิฏฐาสวะเลยเป็น4อาสวะเนี่ยจะว่ามี5อย่างก็ได้นะครับเช่นอาสวะนําไปในนรกก็มีอาสวะนําไปเกิดในกําเนศศาสตร์เดรฉันก็มีไปเกิดในเปรตก็มีในมนุษย์ก็มีไปเกิดในเทวโลกก็มีแต่ว่าอาสวะที่นําเกิดในคติห้านี้หมายเอากรรมเท่านั้นที่เป็นอาสวะ ส่วนในฉักกานิบาทนะครับักกานิบาศอังคุตรนิกาเนี่ยนะก็อาสะวะทั้งหลายพึงมีพระการสำรวมโดยการแสดงถึงความสำรวมอาสะวะทั้งปวงถ้าอาสะวะมีเจ็ดอย่างรวมกับทัศนะพึงละอันนี้ก็อยู่ในสัภาสะวะสังวรสูตรนะครับอาสะวะบางอย่างละได้ด้วยขันติเป็นต้นเนี่ยนะครับก็มีแสดงตามสัภาสะวะสังวรสูตรนะครับ คำว่าขยายเนี่ย น, นะครับโดยศับเนี่ยนะขยายเนี่ยแปลว่าสิ้นเนี่ยนะการทำลายอาสวะทั้งหลายพร้อมด้วยรถในบทว่าความสิ้นไปเสื่อมไปแตกไปทำลายไปความไม่เที่ยงความอันตรธานท่านกล่าวว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอาการสิ้นไปความไม่มีความสิ้นสุดความไม่เกิดแห่งอาสวะท่านก็เรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนกันหรือบางแห่งอริยมรรคก็ชื่อว่าอาสวะด้วยบางแห่ง ผลผลและจิตก็ชื่อว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนกันบางแห่งนิพพานก็เป็นชื่อของความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนกันแต่สําหรับในสูตรนี้หมายถึงอริยผลนะครับหมายถึงอรหั ต, ตผลนั่นเองนะครับหมายถึงอรหั ต, ตผลนะผู้ที่มากไปด้วยสุขโสมนัสในปัจจุบันปรารบความเพียรโดยแยบคลายเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่หมายความว่าเพื่อความเจริญขึ้นแห่งอรหั ต, ตผลนั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นก็คือคนที่รู้จักสังเวทในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวทเมื่อสังเวทแล้วก็ตั้งความเพียรโดยแยบคายก็เป็นผู้ที่เป็นไปเพื่อสุขโสมนัสและเพื่ออรหั ต, ตผลนะครับต่อหน่อยว่าบทว่าสังเวชนีเยสุธาเนสุได้แก่ฐานะอันให้เกิดความสังเวทคือในวัตถุอันควรสังเวทมีชาติเป็นต้นนะครับวัตถุควสรสลดสังเวทคือนชาติ2ชราสามพยาธิสมรณะหนะครับ คืออบายะนะอบายทั้งหลายแล้วก็ทุกอันมีในอดีตทุกอันมีในอนาคตนะครับที่มีวัตตะเป็นมูลเนี่ยนะวัตตะมูลในอดีตวัตตะมูลในอนาคตแล้วก็ทุกในปัจจุบันมีการสแสวงหาอาหารเป็นมูลนี่ชื่อว่าฐานะเป็นที่ตั้แห่งความสังเวชนะครับเช่นเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายหรือว่าโหเห็นสัตว์ในอบาย นะบายสี่หรือว่าทุกข์ที่มีในอดีตที่เคยรับมาแล้วทุกที่จะมีในอนาคตนะครับแล้วทุกในการสแสวงหาอาหารในปัจจุบันทำมาหากินทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชหมดเลยหรืออาจจะสังเวชอย่างที่ว่าโลกสันนิวาร้อนระอุสับสนวุ่นวายเดินทางผิดโลกอัญชารานาไปไม่ยั่งยืนไม่มีที่ตัางทานไม่เป็นอิสระ โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุของตันหาดังนี้อย่างนี้ก็ชื่อว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเหมือนกันนะครับอาจารย์ช่อธิบายเพิ่มเติมได้ว่าอย่างเช่นการสแสวงหาอาหารเนี่ยมันน่าสังเวชยังไงเนะี่ยก็มันสรุปไหมครับแล้วสแสวงหาอาหารเนี่ยนะการศึกษาการเล่าเรียนทั้งหมดการประกอบอาชีพทุกอย่างเพื่อสแสวงหาอาหารทั้งนั้นเลยนะครับ ถามว่าเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเช่นชาวนาเนี่ยนะกว่าจะมีอาหารกินชาวไร่ชาวสวนชาวเขาชาวดอยแม้กระทั่งชาวเมืองเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดที่ทําเพื่อแสวงหาอาหารนั่นนั้นเลยนะครับทุกอาชีพเลยนะครับเพื่อแสวงหาอาหารจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องความเป็นอยู่เป็นกินแล้วก็โดยทั่วๆไปแล้วก็เรียกว่าคนสุขสบายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนแม้แต่ส่งลูกเรียนอนุบาลเริ่มตั้งแต่ส่งลูกเลยนะครับนี่คือเพื่อแสวงหาอาหารจริงๆนะครับ แต่ว่าอาหารเนี่ยนะจะอาหารอร่อยก็ต้องมีที่อยู่มีแรงก็สัมพันธ์นะแต่ถ้าใช้คำว่าอาหารก็คือทุกในการสแสวงหาปัจจัยสีนั่นเองนะครับมันทุกมหาศาลแม้แต่พระพิสุเป็นต้นก็เดือดรอ้อนแม้แต่คารวาสก็เดือดร้อนนะครับอันการเป็นอยู่โดยธรรมเนี่ยยากจริงๆนะครับบทว่าสังเวชะเ น, นะได้แก่ความสังเวชอันได้แก่กลัว ได้แก่ความกลัวเกิดอาศัยวัตถุอันควรสังเวทมีชาติเป็นต้นนะครับที่กล่าวไปแล้วแต่โดยอัฏฐะนะครับคำว่าสังเวทหมายถึงยานพร้อมด้วยโอตตปะชื่อว่าสังเวชปัญญาที่เกิดพร้อมกับโอตตะปะนะครับเชื่อว่าลักษณะของสังเวทบทว่าสังเวคสะนะครับได้แก่เกิดความสังเวทในเพราะทุกมีชาติเป็นต้นไล้ลๆอย่างนับแต่อย่างลงสู่คันเนี่ยนะครับโอ้โหน่าสังเวทนะตั้งแต่เกิดในคันเลย ต่อไปนะครับบทว่าโยนิโสประธานเนนะด้วยความเพียรโดยอุบายคือโดยความเพียรชอบจริงอยู่สำ ม, มายวายามะท่านกล่าวว่าประทานคือความเพียรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรและเพราะให้สําเร็จภาวนาชั้นสูงสุดดุดผู้ที่ละอกุศลธรรมได้บรรดากุศลธรรมย่อมถึงภาวนาให้ถึงความบริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่สลดสังเวชใจแล้วก็ตั้งสำ ม, มัประทานทั้ง4ประการเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะนะ ในบทนั้นภิสูจไม่เห็นที่ต้านทานที่เร้นที่พึ่งอะไรๆในภพเป็นต้นด้วยความสังเวชไม่ติดในภพนั้นมีใจไม่เกาะเกี่ยวและหมดความรู้สึกในที่จะหันกลับไปเพราะเป็นปฏิปักต่อสิ่งนั้นจึงเป็นผู้น้อมไปเพื่อนิพานโน้มไปเพื่อนิพานโอนไปเพื่อนิพานโดยแท้ภิสูนั้นเป็นผู้มากไปด้วยโยนิโสมนสิการเพราะอาศัยกลยานามิตร เป็นผู้ประกอบไปด้วยอัธยาศัยอันบริสุทธิ์นะครับอาศัยบริสุทธิ์นะครับเป็นผู้ประกอบและขวนขวายในสมถะวิปัสสนาย่อมเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปงวงขวนขวายให้เกิดวิปัสสนาข้อที่ภิกษุเป็นผู้มากด้วยโยนิโสมนัสิการเป็นผู้ประกอบด้วยอัธยาศัยอันบริสุทธิ์เป็นผู้ประกอบและขวนขวายในสมถะและวิปัสสนาพึงทราบความเป็นผู้มากด้วยสุโสมนัสในปัจจุบันนั่นแล ด้วยเหตุที่ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในสมถะเป็นผู้ประกอบขวนขวายในวิปัสสนาย่อมเบื่อหน่ายสังขารทั้งหลายขวนขวายให้เกิดวิปัสสนานั้นเพึ่ทราบว่าเป็นผู้ปรารบเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายครับการเจริญสิ่งเหล่านี้เพื่ออรหัตผลนั่นเองนะครับอ น, นะข้อความต่อไปนะครับคาว่าปันดิโตได้แก่ติเหตุกะปฏิสนธินะครับคือ ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะบัณฑิตที่จะปฏิบัติถึงสิ้นอาสวะได้ต้องเป็นพวกติเฮตุกะปฏิสนธินะครับบทว่าปัญญายะสัมเวกขยะในแก่พิจารณาสังเวกวาถุอันควรให้เกิดความสังเวท ด, ด้วยความสลดใจโดยชอบด้วยปัญญาอีกอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วโดยชอบด้วยปัญญาปด ท, ที่เหลือทั้งปวงมีความตื่นง่ายทาง้งานนะครับอันนั้นก็สังเกตดูนะครับว่าเราต้อง หัดสังเวทในฐานะที่ควรสังเวทนะครับจำไว้เลย8อย่างนะ 1. ชาติ 2. ชรา3พยาธิ 4. มรณะ5อบาย 6. วัตทุกข์ในอดีตนะครับนะวัตทุทุกในอนาคต 8. 8นะครับ8ก็คือการสแสวงหาอาหารในปัจจุบันนะครับหรือว่าเอาแบบ รัฐบาละสูตรมาก็ได้นะครับโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุของตัญหาสับสนวุ่นวายเดือดร้อนร้อนระอุลุกโชนนะครับทั้งหลายเหล่านี้ก็จะสังเวทในฐานะที่ควรสังเวทเมื่อสังเวทใจในลักษณะนี้แล้วก็ตั้งความเพียรคือตั้งสัมมาปทานสี่เลยนะครับเพียรเพื่อละบาปนะครับเพียรเพื่อสังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรเพื่อเจริญบุญเพียรเพื่อตามรักษาพัฒนาพอกคูนบุญอันนั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ อ่านในวิสุทธิมรรคนะครับเขาพรรณนาเรื่องของพรรณนาเนาะรเรื่องของชาติเนี่ยโอ้อ่านแล้วน่าสังเวชจริงๆเลยครั บ, รบที่เขาพรรณาว่าโอ้ไปอยู่ในคันของแม่อยู่ใตก้กระเพาะอาหารอยู่บน อ, อะไรอย่างเงี้ยดูแลโอ้โอนาสดดแต่ว่าถ้าหากว่าเอารูปนะเอารูปใน ที่พูดถึงเด็กในคันนะรูปของเด็กในคันหรือว่าพวกเด็กที่วิบัติในคันเป็นต้นเนี่ยนะครับ<อ>ถ้ามาดูแล้วนะว่าท่านพันธ น, นาน้อยไปนะครับะ<อ>คือหมายคาอว่ามันมีอะไรให้พันธนาเยอะแยะไปหมดเลยนะครั บ, รบพูดถึงทุกของเด็กในคันนะวันถ้าให้ว่าพวกหมอเด็กเนี่ยนะครับมาที่บายถึงสิง<อ>งส่งเหล่านี้ได้เนี่ยโอ้โหอาจารย์ต้องหาภาพนั้นมาครับก็โยมเขากาลังเก็บภาพให้อยู่กำลังบันทึกให้อยู่ดีดีดีครับแล้วอย่าง ะจะเจริญส ม, มถะวิปัสนาเพื่อสุขสมมนั้นเนี่ยอย่างเช่นไปพิจารณาซากศพมันชวนให้สมมนั้นตรงไหนครับคือถ้ากุศลเกิดบ่อยๆมากๆเนืองๆแล้วจะสุขสมมนั้นเองครับเพราะว่ามหากุศลหรือส ม, มถะวิปัสนาก็จะมีปีติปราโมทย์เกิดร่วมด้วยนะครับไม่ต้องห่วงถ้ากุศลจิตเกิดบ่อยนะกุศลจิตเกิดบ่อยจะเป็นคนมีความสุขนะครับถึงจะพิจารณาปฏิกูลอะไรยังไงก็ตามเขาจะไม่น่าแบบห่อเหี่ยวอะไรไม่ใช่นะครับ เพราะว่ามหากุศลเนี่ยประกอบด้วยปัญญาแล้วก็มีสุขและมีโสมนัตมีปีติมีปราโมทมีปัสสัตทิเป็นต้นนะแล้วเราพระพระกรรมฐานหรือพระป่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไปเจริญอย่างเช่นอสุภะแล้วทําหน้าซึมซึมหลบลีหนีหน้าผู้คนอะไรอย่างนี้เนี่ยเอ็มจะถูกหรือเปล่าเนี่ยก็กิริยานี้เราก็ยังบอกไม่ได้นะครับ <S <S บางอย่างท่านก็กลัวเสื่อมก็ได้นะครับ เพราะว่าไปคลุกคลีเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดีอะไรพระพุทธเจ้าตำเนี่เรื่องการคลุกคลีมากนะครับ